พูดทามาชูกันฟังมีผู้ฟังมีผู้พู ด, พ ด, พดในทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีทางที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าเลยเหมือนสมัย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 เป็นพระหลานก่อนมาถือบวชทีหลังก็มีจำนวนมากอย่างเอตตคะแ0รลูกอย่างส่วนมากเป็นพระหลานก่อนตัดสรลูกก่ อ, อนกอบรรลุธรรมก่อนเจงถือบวชท่ว่าเอหิภิกขุอุปสัมบทาพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ทรงให้การอุปสมบทแก่ภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุเปรสัมปัทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเปภิกษุว่าเถิดพร้ทำาว้ไนเราตัดไปหรือแล้ว สรงจนท่านจงเป็นผู้พิสพรมจรั์ให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแต่งพรหมาจรรย์คือเอภะละหาันถ้าผู้ที่เป็นพระละหันแล้วก็าอกว่ า, วาท่านจงเป็นผู้พิสธรรมท่านเถิด นี่คือเอหิปิกุอุปสัมบทาเพราะเราไม่มีโอกาสเท่านั้นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยังมีธรม ร, รมําสอนของพระพุทธเจ้ามากมายแล้วบาสวดมาสาธยายเหมือนกับเราได้ฟังสมพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว โดจึงมีวัดปฏิบัติในการ ส, สวดมีหนังสือมีตำราเอาออกมาจากพระโอษของพุะตองค์เองมีพระอัญญาพระมหาขจัปปะเถระเป็นผู้รวบรวมจำกาไวัย ว่าอนนท์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าสแสดงทรหน้าที่ใดอานนท์จำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถาขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพาพระพุทธเจ้าไปสแสดงทำที่ใดขอให้ข้าองค์ติดตามไปด้วยก่อนที่เป็นพุทธอุปถาเลือกมา พระเจ้าถามว่าเธอทำไมจังถามเพียงนั้นขอเช่นนั้นเพราะว่าอานุนเป็นพุทธุพทธาเมื่อถามอะไรพระเจ้าแสดงทรที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธุพทธาจึงได้จำแม่นมาใส่ใจ เรียกว่าบันทึกไว้ในหวัวใจเมื่อถึงคราวทำสังขยาล้ยกลองทำคำสอนขึ้นมาก็าต้องขาดพระโดนไม่ได้พระโดนก็มีความสำคัญให้เขาที่ทำสังขยาพระมหากษัตสปย์เทาเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงเลือกพระ เทลาทีเป็นพรานทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จำกันมาแม่นในทางใดพระสาดีบุตรพระโมกขลานะพระอุบาลีพระนุทะแม่นยางใดเขาจำกันมามาพูดให้ฟังแต่พระนรยังไม่เป็นพระหาเลย แต่ว่าขาดไมาได้ขาดอานนท์มาได้มากกะเสพจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระอานนท์ปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาฏาอดุลก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังิงด่ามคำเขียยตั้งทั้งที่รู้มากจาแม่นเหลือเกิน แต่ก็เอาสิ่งที่ตนรู้มาไต่เต้าไปแม่แต่การทำทุกขจียาเอาว่าเป็นแบบอย่างเอามาสอนตัวเองทั้งุทธเจ้าเอาทั้งความรู้ทั้งการกระทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น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 เล่เข้าไปจนถึงแสงเงินแสงทองจะขึ้นแล้วก็ทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างตั้งไม่หลับได้ดนอน ไ, ได้ผกได้พอนอนก็เออหยิบเสียต่อกรนะดังใช่ เหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีสิตที่ยียบได้พักผ่อนนอนหายใจลู้สึกตัวได้องค์ก็ถือโอกาสเช่นั้นในขณะที่พระองค์พระอนนะุนกาลังเล่งอยู่นั่นนะมันไม่ได้เตียงใจเลยเล็ก อเอาความรู้เอากันกระทำเอาอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางเงั้นลองตาไปพูดกับโย ม, มเมื่อวานใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจรู้ซื่อแบบ อนอ น, นก็วางใจรองนอนหยิบสักหน่อยก็นนะ้าพอเอ็นหลังหัวยังไม่ถึงหมอนได้บรรูุธรรมตอนท่านเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับทำสังฆนาเป็นพระรหัสเกิดขึ้นเอเฮเป็นอะรเรียกว่า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 เหมือนว่าเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่าไปน้อยเลื่อตามใจไม่มีการไ ม, ม่เวลาเลยาอาย่กับเราอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ประกอบอายุหลงตางนี่ก็ได้ฟังได้เห็นทันเห็นอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์พุทธทาสอาจารย์หลวงพ่อ จเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายหลายรูปที่เคยฟังสมัยก่อนกระตือือร้อนคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้นะเพราะดูแล้วบางครั้งก็ตกใจอุตศาบำรงพระสงฆ์พระสงฆ์กทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้น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 พระก็พากันไปจับออกปลาในสระเราไปหาควายตอนเย็นเดินไปเห็นผ้าเหลืองวางอยู่หอบสระเอาอะไรเนอะเดินไปดูเห็นพระง ม, มปลาอยู่3ามสี่ ล, ลูกเราก็้อบมือมา ล, มลูกใจลรวโอ้ยเราสาธวอมโงสร้างว่าสร้างวา ให้พระว่าอยู่เป็นงีเนาะอะไรอะไรคือพระอะไรคือธรรมะอะไรคือบาปคือบุญน้อทำบุญแต่ไม่รู้จักบุญหัวบาปแต่ไม่รู้จักบาปอยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์งมันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงก็การบ้านเกิดขึ้นจึงรีบๆต่อยหนัง ตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งาจอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันอันเราก็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลงตาก็ได้เอาจังๆต่อหน้าต่อตาหลงปูเทียนสอนจังหาครูอาจารย์ก็มาตะเปตะปามาพกหลงปูเทียนเขา ถกกับความคิดของตงนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้รอ๋งปูเทียนก็ท่าทายเราก็เลยตั้งใจงเวลาหลวงพ่อเทียนแ <c oughs> จแดงทำเราไม่ใช่ไปจำออกมามาทาตัวอย่างสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนไม่พูด เกิดการขัดแย้งไปคนละทิต่ตรทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อ เ, เทียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อ เ, เทียนก็พูดก็สัมผัสดูมันก็ไต่เต้าไปไต่เต้าไปเวลาทํา ว, ทวัดเช้าทรัดเย็นเราฟังหลวงพ่อเทียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทำได้ สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเนรนเรียนทังธรรมชันตีมันก็มีในตำราอย่างสติคือความเลือกได้สามิชะยะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคุณะท่องเอาจำเอามาอยู่ในตำราภาษาโลกแก้วดลก้นกทองบัติมามีสติไปในกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่อง เป็นการไปจุ่มไปต่อเอามันมีเอ้าเหมือนจริงจริงเมื่อมีสติเห็นกายก็เห็นจริงๆกายมีสติเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาอ้ามันมีอยู่นี่เนาะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ารู้อยู่ในตำหลายจำได้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหลักสูตรต้องทำเช้นโถ มันมีอยู่นี่เราเห็นอยู่นี่เราอ่านตำราอยู่นี่เรามีรสชาติในตำรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทําไ ป, าไปตามแผนที่เหมือนเส่มเหมือนเราได้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดลถไปเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายเลขกันเลยกี่กมเราก็ไปตามแผนที่ ขณะที่เราเดินทางขับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลงแล้วก็ไปไปถามแผนที่พอมหลงมันก็ดีทีด้วยจะได้หยุดเอามาเพื่อจะไม่เสียเวลาเข้ามาดูเนไปอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอมหลงมันเป็นเรื่องดีนะอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็รู้ เออก็ผ่านผ่านบ้านโด้นเมืองนี่ไปเอาวานนั่นไว้หลังเอาวานนี้ไว้หลังผ่านความหลงกี่ข้างกี่หนผ่านความสุขกี่ข้างกี่หนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หนผ่านชิเลตต์นะนี่ ว, รรวุ่นวายทำโกงงงเงาหอนอนความคิดฟุ้งซ่านการมาลักข้าปฏิกะมาณทิฐิอะไรเท่าไหรเท่าไร่ เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรื่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็ลู้แล้วลู้แล้วลู้แล้วมันก็ผ่านมันก็เกิดการสะดวกบางครั้งมันก็ทางเดี่ยวบางครั้งมันกับจราจรติดขัดเกิดดัดขัดเกลงมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราได้เที่ยววง มันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้คล้ายๆ ไ, ป ไ, ปมาไม่ใช่อ่อนเอยมันฮึดสู้มันขวงกันหรือเนี่ยมันฮึดสู้ขึ้นมาอะไรขวางกันไม่ใช่สติแล้วก็ขึ้นสู้มันได้บทเรียนดีดีการปฏิบัติทำสอนตัวเองเนี่ยประจบการการสอนตัวเองเนี่ย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 เหมือนหลงตาผู้ประวาตนนิี้การที่เกิดจากการศึกษาก็ เ, าเห็นการเห็นเวทนาเห็นกิตเห็นธรรมเห็นเป็นรูปมาทำเห็นเป็นนามมาทำก็ได้หลักได้ฐานเหมือนการฟ้องเหมือนการหาความเป็นธรรมก็ได้ความเป็นธรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป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 มันคิดก็ไม่ได้ไปตามความคิดมันสุข ก, ก็ไม่เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมายภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเก่ามันไม่เปลยนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเลยสรุปมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ ไม่ให้ค่ามันมันสุขก็อยาให้ค่าความสุขมันทุกข์ก็อยาให้ค่าความทุกข์มันหลงก็อยากให้ค่าความหลงอะไรที่มันมีในลดในชาติไม่ต้องเป็นลดเป็นชาติไปกับันความโกรธก็มีลดบางคนก็ชอบความโกรธตัดทิ่จใจทำความโกรธมันทุกข์ก็มีลดตัดทินใจไปทำความทุกข์ มนรักก็ไปลดตัดทิ้ใจไปตามความรักมันชัางก็ไปลดตัดทิ้ใจไปตามความช่างพราะเรามีสติหลอกมันรู้ชื่อๆอ้อาวไปก่อนมึงก็มีค่าสําหรับเราสร้างอะไรขึ้นาพอมารู้ชื่อๆไปก่อนเข้าทางไว้ก่อนรู้ซื่อๆไป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 เห็นนิมิตอะไรต่างๆเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาอะไรก็ต่างนั่นเป็นนิมิตแล้วผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาไปสอนตัวเราอ๋อพิธีที่สอนตัวเราสร้างสิว่วแนดล้มให้่ตัวเองให้ดีๆ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 เขาก็มีอาชีพอาธรรมทั้งหลายมันก็ครองเรลมาดานรสชาติของอาธรรมมันก็ติดนะสุบูรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอ ว, วาลูวาลูเนี่ยมันเหมือนกับมาอาบมาส้มไม่แผลในการมีแผลในใจ เคยรักเคยสุกเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลูเหมือนกับซ่อมลูทีไรก็ฟิตใหม่ลูทีไรก็ฟิตใหม่ฟิตใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสีบแลล้อมไปเรื่อยปเรามาอยู่ในลูกข้อมูลว่าอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลาย มาอยู่ในลูกขมูลอยู่ป่าอันนั่นก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกลูกขมูลคืออะไรคือขูดเกา่าขูดเก่าคืออะไรทำให้เราเชื่อมแข็งฝนตกแทนที่เราจะทุกข์มันมาช่เรื่องทุกข์การปวดการเมื่อยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนเลอทำให้เราเชื่อมแข็ง เคยสมบุรณ์ตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุง่งๆย่าจงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งนี่หมนไปพักที่สวนย่าสวนสมพู์สวต า, าเลยจำอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ย่าใกล้วัดดุงงเขาเกิดตาอะไรมรู้นี่หมวนไปห้าลูกไปปรากฏ เราก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือที่ดงขวัดลูกขมูลเขาลูกขมูลวัดอยู่คนไม่เป็นวัดแล้าปรากฏฝนตกทั้งคืนเจ้าของบ้านก็กลางล้มมาเอาล้มมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปให้ฝนตกก็เปียกนะ แต่เปียกข้างบนมันไปเปียกแต่น้ามันไหลหลากมาก็เปียกทำไงก็เอาผ้ากีวรเนาผ้าสังขาติใส่ในบาทรเรือไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิดอิดโบราณเขาก้อนใหญ่เอาวางแตพ่พกก้อนหนึ่งก้อนนั่งให้ตัวไม่โจมน้ำ แล้วก็เองไปเพียงบาด เ, เ, เอาบาดเองไปก็เพียงอ้าก็นอนนอนไม่ก็เบียกน้าไหลผ่านท้องไปเลย เ, เราก็ทุกไหมไม่ทุกก็สมมติว่าอา้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ำตลอดพบตลอดชาติเขาจังอยู่ได้เราเป็นกบสักคืนอย่างจะเดียวไม่ได้เลย ก็สนุกไปเลยนอนเปียกถ้าเราก็อาจจะเปียกถ้าคุณเจ้าพระสองฆ์อาจจะเปียกฝนตกนั่นแหะสมมติวไปเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดคืนตลอดปีเอาเป็นข้างเป็นข่าวไปขูดเขา่าสุดงแปลว่าขูดเก่าคอยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเฮ้ยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติของความทุกข์มิเตสติมิเตสัมชัญญะทุกข์กรณีนะ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 เความหิวเกิดความอิ่มรสชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบมันก็เกิดทุกกรณีที่เราทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันไปไปลถไม่ค่าจืดไปเลยให้มันจืดจ้ะรสชาติสร้างสีแวดร่อมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนผ้าน o เอาจริงเ่าจังจนหน้าดำความเพียรเอาความรู้ของตเองเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักได้ฐานมาจากพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเดนเป็นอ่เศษที่พระเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออานนต์จนถึงว่าเราได้สวดว่าอานน n เราจเราจะทำกับเธออย่างไม่เท่นุถนอมนะ เหมือนช่างหม้อที่ยังทำกับหม้อยังเปียกยังดอจู๋เราจะขนาบแล้วขนาดปีกไม่มีหยุดถ้าเธอมีเจตนมีมรรคผลนิ่ผ่านเธอจึงตนอยู่ได้เพราะนอนคือขาย <c oughs> แล้วโอนก็นคือรูปสุโกธนะน้องพระเจ้าสุโตธนะก็น้องเป็นน้อง เอาจริงเอาจังจนถูกด่าถูกอะไรต่างๆแม้แต่ลาหุน่นผู้เจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ลาหุ่นน้อยใจไม่ว่าจัดเข้าผู้เจ้าก็ให้เพื่อนก็ลาหุนไปเรียกมา ตั้งแต่สมัยพระองค <c oughs> ์บำเพ็ญอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองดูแล้วว่าน่ารักแต่ไม่มีพวกมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายเลามาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าอบำเพ็ญ เรียกว่าอะไรอยู่ตัดเซลลแล้วอยู่แถวต้นสีมหาโพธิสุขวิมุติสุข อ, อยู่ที่นั่ น, นเด็กเลี้ยงควายาก็มาเล่นด้วยผู้จ้าว ก, ก็รูปหัวลูบหางลูบตัวถ้าจะเปรียบเทียบกับอาลาหุ่นก็รุ่นเดียวกันนี่แหละไขมัน เจแปดปีเจ็ดแปดขวบเด็กก็ามาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปปะอิสิปตนาเล่เธอจนร้องไห้ว่าจะติดตามไปแต่พเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วเป็นเด็กเท่งยงวายรับจ้างให้แล้วเราจะกลับมาก็ คนที่เจอก็ได้พบกันจนได้ไปบวชถ้าบวชไปแล้วก็รุ่นเราเขาเดียกับลาหลุนลวงพ่อจำลอนตาจำชื่อไม่ได้นะแต่ก่อจจำได้อยู่ชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วถ้าไปเด น, น <c oughs> ด้วยกันพีเจ้าก็โดนด่าลาหลุนก็ให้ไปตามมาอันนี้ก็ขนาบแล้วขนาดไป เราไม่มีพระพุทธเจ้าขนาบเหมือนพระนนเราหวนลกขนาบตัวเองขนาบเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแท่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกหรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกหรือเนี่ยไม่จะทำมาเลยได้บางทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกโสนตัวเองอ่นะ บางทีก็ปอกแล้วกันเข้มแข็งกันมาจ่าเป็นญานหอบกระเป๋ากลับบ้านจะแล้วจะกลับวันนี้ก็มีใช่ไหมกาลสินเป็นญานหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างอไปก็ไปไม่เป็นไร <laughs> อ, อย่าให้เกิดยานหบเสีอนะการปฏิบัติธรรมนะ มีเหมือนกันยางไงหลวงตาอยู่พุทธยานเมืองเลยนะมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากอังเเผหนองสองหง้องมาอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เราก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้วเออให้ปฏิบัติทำไปพอปฏิบัติทำไปนะ่ะไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลย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 มันคิดกันมาอะไรอย่าไปเชื่อมัน่ะความคิดเน่มันความคิดกันมาก็หอบบาดไปความคิดกันมาแบบหนึ่งก็หอบบาดน่ะมันเป็นใหญ่ขนาดนั่นหรืออันความคิดเน่ะดูดีๆนะดูดีๆ ด, ดูนะไม่ใช่ไปตามมันแบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือ ความคิดเนี่มันคิดก้นมามันเหลือเกินนะอย่า <Yeah. S 1> อย่าตามมันเปองเทอได้ฟังพูดได้ฟังเอา้าทงางั้นผ้องมันไปละว่ะกลับอ้อมบาดขึ้นไปกะติเองอ <laughs> ความคิดมันหลอก <Yeah. S 1> เป็นยานหอบบาดกับวัดหอบกระเป๋ากับบา้า <laughs> นเอัะวาคิดมันหลอกระวังให้ดีนะ <Yeah. S 1> อ, อะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดเนอจึงมาลู่ท หลวงปู่เทียนบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพอรูจักเห็นรูปทำนามทำจบอารมณ์บางตนเห็นรูปทุกนามทุกรูปโรคนามโรครูปสมมุติลมบัญญัติทุ้บุญรูปบาปย่าไปอยู่ในความรูมันรูปก็มีรสชาตินะไปรูปคำความรูปอยู่กลายเป็นวิปัจจุปไปเลย แต่พ่อเทียนก็บอกว่าอย่าไปาความรู้นะอย่าไปาความสุขนะมันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจจิสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เอา ก, ก็บ้ากบโคกงยเจอลอยควาย มีรอยน้าก็ขังอยูก็ล่องล่นลูกบโคกมีนะหลวงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเนี่แหละเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากาปฏิบัติธรรมไม่ความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็คิดไปอยากเอาความสุขอยากเอความรู้บ้าไปเป็นทางจิต สร้างจังหวะให้ไวๆหน่อยบาเพ็นกิจโอติเจ้าตัดจารทางกิจําจังหวะไวๆจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะ14จังหวะอ่างหลงหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพยียงแต่ ว, ว่าให้ก็ได้เห็นไมถ้าไม่ก็ได้ <laughs> ไ, มไม่ก็ไดถ้าไม่ไมชินมากก็อะนากถ้ามง่วงมากก็ อารมณ์แงนะบำเพ็ญทางจิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตนะในจิตมันก็มีการดูของมันในจิตมันก็มีสติดูมันหลายวิธีการบำเพ็ญทางจิตอย่าให้มันหลอกตายความคิดมันลูกเห็นมันมันลูกอะไรมันลูกที่มันเกิดจากจิตให้ไหวที่ว่าบำเพ็ญทางจิตอย่าไปอ่อนไปกระมัน มันีตัวลูกเป็นหลักเลมันมันค่ายๆวามันแข่งกันมันมีตัวลูกเป็นเจ้าเหลือนเป็นเจ้าของอยู่แล้วมันชิดขึ้นมาก็ลูกแต่ก่อนเขาคิดใหญ่แต่ปับันนี้สติมันใหญ่กว่าทำลูกไปรูปไปบําเพ็ญทางจิตสิสี่จังหวัดก็ทําอย่างนี้ถ้ามันอ่าอะไรมันเล่นฉบัเดินกลับมาทาบางยกเวอร์ขึ้นทำบางเล่น เล่นกับจังหวะสนุกดีกันเล่นรู้ดูย่อยถ้าข่าวใดที่มันยังมีความง่วงนะอารมณบางต้นถ้า ม, มันง่วงพระพุทธเจก็สอนหลอกก็ก็กับม <c oughs> ันลอยข้างอนะ เอ า, อา แ, แบบนี้นรูปแบบบางทีก็สอมาสอนไอารูปแบบแล้ว็่เทียก็สมัยก่อนถ้าก็ทำนี่นะก็าพระมีจังหวะที่หยิบเลย ด้วยนะตอะนฉบับเดิมเราพ่อเทียมก็เปลี่ยนแปลงมาจะมาถึงแบบนี้แต่กวางก็บอกว่าติงนิงน่งติงนิงน่งติงนิง่งติงนิ่งติงนิ่งว่าไปด้วยนะ ตนิงเตงนิ่งเตงนิ่งเตงิงเตงิงเตงิงเงิงเงอ้าวมันเป็นภาษาเราว่าภาษากลางตลาดไหวนิ่งมาอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกปลวงโอ้เน่นพะเนา ไวเน่งไวเน่งไวน่ ง, น ง, นงต่อไปลงพ่อเรียนเลยอ้มันก็บริกรรมเนี่ยรู้เฉยเฉยอะรู้รู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพูดตัดต่อมาต่อมาเหลืออยู่เท่านี้นยังตัดอะไ ร, ระม่ได้วันสะบูนแหวแล้วไม่มีอะไรขวางกันตรงเป๊ะเข้ามาเลยตรงกับความรู้จึกเข้ามาบางทีเราก็เล่น ออกมาชิดมากก็ถ้ามันง่วงนอนมากก็อยากมาทําปกแปลกทำอ่ะเฮ้ยถาง่วงอะ่ะมันช่วยได้หลายอย่างการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไห ว, วปกแปลกมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ ดีที่สุดเลยก็ประกอบความเพียรมันบริหารหัวใจหัวปบดต้นคอล่อหน้าอกโดนกรกยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้นะมันไม่ใช่เสียสุขภาพนะหลงตาไปสอนสจรัดเนะมาต้อนรับหลงตาที่จ <c oughs> หนังบิน บอกไปถึงที่พักเขาก็บอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลงพระเทียนนะจ่ายงเงินไม่ต้องสอนออกเนขาก็ชอบนะให้สอนแบบหลงพระเทียนนะจ่ายงเงินไม่ต้องสอนเขาบอกนะพวกหลั่งเขาอะไเนี่ ย, รน เ, นยเราจรึงมีรูปแบบไม่ล่าสมัยใช่ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาพุทเจ้าสอนกขาเพียงแต่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 ตามตำลาพระสูตรตันตปิฎกสติปัฏฐานสีนานก่อนอยุบหนองพองหนอแต่ไปเจริญ อ, อยู่ที่เมืองเราอยเลยกลับมาชูเมืองไทยก็มอาอยู่หลวงพ่เทียนไปรูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องขายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะแต่ว่าขายังมีไว้นิ่งไว้นิ่งอย่ง เวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอามือวางไว้เน่เอบาดตักไว้ตนน้นเน่ก็ฉันยกมือขึ้นมาตกบาดเอาข้าวมาเอามือมาวางแล้ว ไ, ไปจับอาหารจับอาหารก็ตาวางยกเสษปากอาหารถูปากอมไม่ก่อนเมื่อวางแล้วก็มานั่งหลับตาเขี้ยวเกือบสองชั่วโมงยังมีอยู่ทุกวันนะอาเนินพันเน่า น่สอกัอนอยู่เวลาทำอาหารเนี่เเป็นโตไปส่งกติกติมีทางเนินจากรมมีห้องน้าห้องส้วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทำเป็นสำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีก้างมีอะไ ม, ม่ถ้าเป็นปลาก็จับเป็นชิ้ชนๆสามารถจับไ ป, จ, บไปจะไปขึ้นมาได้ปฏิตาไม่ต้องดูฝึกกันเป็นสองชั่วโมงหลวงพ่อเทียนเคยฝึกนั่นมาแล้วนี่ก็มีสติ สถานอาหารก็ธรรมดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเจนเราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไปแล้วหลายอย่างที่มันทำให้เกิดสติสิ่งเว้ล้อมัาใดที่ทำให้มีสติเอามาใช่ทั้งนั้นไม่แต่มองไปตหน้าก็เห็นถ้า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 ไอ้หลังตาอ่านหนังสืออยู่เมื่อวานหนังสือที่อยู่หน้าสลาน่าธรรมศาสตร์ครับพี่มาการเรียนธรรมก็จะให้หลงตาไปพูดธรรมศาสตร์วันที่6กรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อซืซื่อซืเออซื่อซื่อเนี่ยอยาให้มันรสชาติอะไรบันรูซื่อซื่อรูซื่อซื่อไป ลูซื้อไปมันดงแห่งความไมซื้อบ้านมีมากมันมีรถเราจึงลู้ซื้อไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวเนี้ยซื่อซื่อซื้อไปลู้ซื้อไปเลยเพราะนี่มันเจกเป็นหลักสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปล้ว่าที่ดู่ซื้อไม่ใช่ซื่อซื้อซื้อบื้อมันเป็นการพัฒาที่สุดเลยคำว่าลู่ซื้อูซื่อ้อมาจึง เป็นทางผ่านได้ทุกกรณีถ้ามีรสไม่ชาตดมันก็ผ่านไปได้มันติดอ่ืดูซื่อๆไม่มีค่าอะไรกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจนได้สูตรเห็นเป็นท่านเป็นตอนเห็นจังบะมีศินมีสมาธิมีปัญญามีฉินแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้ใช่แล้วเราจึงรู้มันใช่ได้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 รีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทไให้พอดีพอดีนกินข้าวให้อีกนอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดน้านอนนะ่พักผ่นอนสักหน่อยโดยเฉพาะคน อ, อย่จไปอ่าจะไปรีดตัวเองเกินไปอ่าพักผ่อนความรู้จักตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความแก่มาอ้าง เอาความเก็บความปวดมาอ้างอยาให้ข่ามันมีจติเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปทั้งนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเป็นรูปไม่ใช่ปฏิบัติเลยมันมีโอกาสได้เปลี่ยนมันเป็นรูปมากมายเหลือเกินเก็บตกมากมายความรู้ทั้งนี้ไม่ใช่ว่ารอคอยเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้นอาศัยการเก็บตก นอกรูปแบบยิ่งดีใหญ่ไม่ใช่มานั่งสร้างงจวะเดินจงกรมทีจะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยจึงสอนตัวเองให้มากที่สุดเพราะเดนสอนไม่เท่าตัวเราสอนตัวเราพอสมควรใจเวลาสำหรับวันนี้พวเรากลับพระพอมกัน